เธมาตังนานแล้วและก็รักเมากจนลนใจเธอทำไมยัยเธอไม่เคยล่าไม่เคยมองและเธอรักก็เพียงแคแตเขาเราก็ต้องทำความข้าใจเอาเพราะรฉันนั้นไม่ชร ความรักฉันลอยไปสุดสายตาอดใจไอ้ทำไมหัวใจมีลาบจำดึงดันทีรักเธออยู่ทังที่รู้เขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขามดาดหัวใจปลยเขาทำไรย่อมย่มซ้ำซ้ำเติมอยู่อดใจไอยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจ เรเคเป็นรักคูหนึ่งที่รักกันไม่ธรรมดามีเวลากันรักกันมาทุกวันและมีความสุขดีแต่อยู่ในนี้มีคนคนหนึ่งที่ไม่มีความธรรมดามันเห็นเธอเงาเด็บสงสัยตาแบบที่เธอทำกับฉันวันนั้นวันที่ฉันและเธอพบกันมันเป็นความทรงจำที่ดีแต่ทำไมวันนี้เธอ กมาทิ้งฉันไปอยู่กันเขาหากเธามาขอให้ฉันยินดีกับเธอคงไม่มีทางเพราะวันนี้เธอไม่ต้องการฉันอีกแล้วฉันจะไม่ยินดีกับกักครั้งนี้คงเธอเกับเขามันทำให้ฉันต้องเหาและทำให้ฉันต้องมีน้ำตาและฉันจะไม่อ่อนแอคนแค่แพ้ตรงไม่ใช่ฉัน และฉันจะพยายามไม่เอาความลังมาฟังหัวใจให้เจ้ ไม่อ่อนแอคนคิดแพ้ต้องไม่ใช่ฉันและฉันจะพยา ย, ยามไม่เอาความลังเลฟังหัวใจ งสงโซหายเป็นคนมาที่หลังก็เลยต้องแพ้ต้องพ่ายนับตั้งแต่นี้คงต้องยอมน้องกูหัวเจ้านั้นหักมันไปทั้งใจแล้วนาะแต่อยากให้เจ้าว่าน้องให้เจ้าได้ทุกทุกอย่างเธเจ้านั้นมาหักกัน ต่อเจ้าจะสุขสบายหัวหอม พอสามารถที่เจ้านั้นมาควรแคนถึงฉัน่าจจะดีแต่บอเจ้าสู้คือคุณแผนแอยากจะดึงเจ้าเข้ามาอยู่ในใจอยากให้รู้ไว้เจ้าคือคนที่ก็อยากได้น้องคงเป็นได้คือคุนแผนที่มาที่ลังใจเลยต้องพังและคงต้องแพ้คนมาก่อนคงต้องท้อใจและก็ยอมปล่อย น้องก็อยู่แล้วว่าเจ้าหักมันแท้ใจดวงนี้มันคงเจ็บแพงท้อเริ่ ม, มัานเกินจะทนน้องจำเป็นที่จะต้องยอมถึงว่าน้องนั้นจะดีพร้อมแต่ว่าใจเจ้านั้นสมยอม อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าทางดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู้ขอคุณวอนพออยู่พึงยกคุณให้ใครทัพ์สินเ ง, งินทองมันขางนอกกายค่าฟันกันตายไปหลายคนให้น้ำสุกุณผมเป็นของคุณทางชีวานี้ยอมพี่ให้เลยโอ้แม่คุณคนสวยทำใจผมระทวยตังตายครั้งนั้นที่เราจ้องตาย ฉันในผมคิดทันใดว่าเป็นนางฟ้าติดปีกลงมาจะสู่สวรรค์ความฝันเรไรโอ้ชังงามเกินจริงไม่มีที่ติงเนื้องทุกสิ่งที่พบเจอมาชื่อที่ใช้จำได้ขึ้นใจคือว่ารันยาวอนเทพเ ท, เทวดาพาน้องนวลนางนั้นมาใกลใ้ผม เพราะคุณมีค่าวกว่าสิ่งไหนๆยอมที่ทั้งใจไม่ว่าอะไรเต็มใจให้คุณ อย่าพึ่งมองว่าผมจะชวในสายตาคุณผมมีแค่คุณแค่คุณคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครอย่าบอกให้คุณนั่นได้เข้าใจว่าทางดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณวอนพออยู่พึงยกคุณให้ใครสิส่งเงินทองมันคงนอกกายค่าฟันกันตายไปหลายคนให้น้ำสกุลผมเป็นของคุณทางชีวาน ให้ล สิงปัญญาผมจะบูชากับเท้าแวนมนปลุกแสงอะไรคุณสนใจมาไกลกับผมจากนี้ทุกลมหายใจของผมเพื่อคุณผู้เดียวเพราะคุณมีค่ากว่าสิ่งไหนๆยอมเททั้งใจไม่ว่าอะไรเต็มใจให้คุณจะทองตำราศึกษาเวลาศึกษาเรื่องคุณ ผมรักคุณแค่คุณคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครอยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าทางดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู้ขอคุณวอนพออยู่เพิ่งยกคุณให้ใคร ส, สิ่งเงินทองมันของนอกกายค่าฟันกันตายไปหลายคนให้งานสึกคุณผมเป็นของคุณทแทนชีวานี้ยอมพี่ให้เธอหาวุน่นใด ใจเก็บไว้ให้ผมมันคงสุขสมมีผมเลยคุณในงานวิวาจะไม่นอกใจให้ช้ำซุ้งในเดึกัชนดาราด้โปรดจันทราบอกว่ารัญญาว่าผมรักเธอ จะทำให้ใจฉันเจ็บกันทำไม้ฉันต้องถึงเพราะเธอน่ารักและมีเสน่ห์กแม้ว่าเธอชังนยาวว่าจะไม่มีใครใหม่แต่เธอชอบลงสตอ์เลยฉันคุณนี้ใจหวาเธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจฉันดูว่าเธอนั้นต้องเธคนมากไหมถึงทิ้ฉันต้องทอหรือมาต้องทำให้ฉันว่าเธอไม่มีใครแล้วเธอไมีใจใใจจแต่ว่าจะมา จองแล้วนะอนาคนให้เป็นภรรยารับ ล, ล, ล, ลองไม่มีม้ามาถ้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจอจะก็จะเป็นสาวแค่นี้<ะ>ก็ทำให้ฉันเซ่อใส่สพ อ, อยืนหน้ารักกับใครได้ไหมพอเธอชอบทำฉันใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะ ด, ดุตาใครแค่นี้ก็ทำให้ฉันสซ่สอใส่พอยืนหน้า กับใครได้ไหมเพรเธอชอบทําจนใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะดุดตาใครโอ้น oh, ้องสาวอยู่ไปสะดุดตาใครก็พี่นิรักน้องคนเดียวไม่เคยเป็นเหลียวมองใครพี่อยากได้น้องมาเป็นภรรยาพี่สัญ ญ, ญาจะพาน้องไปไงานวิวากอดแกนท่ามกลางแสงดาวมีเพียงรูปสองให้พระจันทร์เป็นพยานว่ารักของเราจะอยู่ไปชั่วน้รันี้ ไม่มีแหวนเพชรไม่มีแหวนทองไม่มีโล่แห่งเกียรติยศไม่มีใครอยากจะมองแต่พี่อยากได้น้องมาครอบครองเราส่งคนจะสร้างมันเองให้คนอื่นเขามองกันทั่วหน้าเหมือนตำนานจอดกับซาร่า ไปจากฉันถ้ามีใครมาแย่งไปกลั ว, วเหลือเกินกลัวว่าเธอมีใจให้เขาขอร้องเธออย่าไปไหนอยู่ไปจนชัวนี้รหลแค่นี้ก็ท้ามีฉันสดใสพออยู่นะรักกับใครได้ม ชอบทำจนใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะ ด, ดุดตาใครแค่นี้ก็ทำใม้ฉันสะใจพออยู่นะรักกับใครได้ไหมขอเธอชอบทำจนใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะ ด, ดุดตาใคร จำเก่าๆก็ยังงดงามมีคลายกระจ่างอยู่ข้างในเมื่อไรที่คิดขึ้นมาบางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วใครหรือไม่ที่คิดเหมือนกัน ถึงเรื่องราวเก่าๆและยังทบทวนทั้งมานสิ่งดีๆกับคืนและวันของฉันและเธอแล้ยังคงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาที่ผ่านไปแล้วมีหวนคืนมาก็ไม่เสียดาย แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มีบางครั้งก็ยังชื่นใจแม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำอยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดี อยากขอลือทางที่ไปก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจเมื่อคิดถึงเธอ เคยได้มีบางครั้งก็ ย, ยังชื่นใจแม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำอยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดี เธอเองจะเคยบังไหมที่คิดเหมือนกันว่าเธอเองจะเคยบังไหมที่คิดเหมือนกัน วันที่เราทะเลาะ ก, กันไม่เคยทำรอย y ิ้มแทนสักครั้งจำได้ไหมวันถึงเราทะเลาะกันที่ทงกกยงเอให้ฉันอยู่ทุกครั้งความทรงจำยังทำให้ฉันคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแไม่ถึง ฉันมันเท่ากันหรือเปล่าทางจริงๆหัดใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปส่งไปได้เพียงในความทรงจำที่ ไนที่ เคยสัญญากันไว้ขอให้เธอเป็นใจ วันที่เราห่างไกลหัวใจยังหวันไม่เคยจะ เป็นเธออย่างนี้นาทีแล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะทีแล้วเป็นความธรรมาดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครได้ใดทั้งนั้น รูบ้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจแล้วห้าคิวของเธอที่เขีนไม่เคยเท่ากันรู้บงไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้วไม่ต้องพยายามไม่ต้องเป็นแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ เท่านี้ก็นรักดีอยู่แล้วที่จะเป็นเธ อ, อย่างนี้น่ดีอยู่แลจะเป็นเธอแบบนี้น่ดีอยู่แล้วเป็นคองธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครไดใดเท่งนั้นที่เธอยิมียงนีน่าดีอยู่แล้วที่เธเป็นแบบนี้น่ดีอยู่แล้วคนที่ฉันต้องการกมากมายที่สุดก็คือเธอแค่เพียงพูดเดียวเท่านั้น งามเท่าดวงตาของเธอฉันไม่มีแล้วิ่งงามได้แล้วฉันงดงามเท่าดวงใจของเธอฉันไม่มีแล้วไม่พยามไม่ต้องเป็่นแปลงอะไรมากมายก็ได้ของเธอเพียงเท่านี้ก็นรักได้แล้ว เป็นเธ อ, อย่างนี้นาทีแล้วที่เป็นเธอแบบนี้นาทีแล้วเป็นของธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครได้ๆเท้งนั้นที่จียิ้มย่างนี้นาทีแล้วที่จะเป็นแบบนี้นาทีแล้วคนที่ฉันต้องการมากมที่สุดก็คือเธอแค่เพียงพูดเดียวเท่านั้น เป็นเธออย่างนี้นะทีแล้วที่เป็นเธอแบบนี้นาทีแล้วเป็นของธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากเิดใครใดๆเท่นั้นที่เธอยิ้มางนนาทีแล้วที่จะเป็นแบบนี้นาทีแล้วค n ท i ่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือเธอแค่เพียงพูดเดียวเท่านั้น ดี Ở tận tận này, ước mong nghe, được là tự anh hay đi. Ước m o n à y đ m e đ ư ợ ัน à tự anh hay đi. Ước mong n g h a o n g nghe, đ ư ợ ม là tự anh hay đi. Ước m o n ก็ต้องอ ไ, ปไป้จะ o v e on สักคนต้อง ท, อทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้านมันไวฉันก็ต้องอ ไ, ปไป้จะ m e n ต้องมีสักคนไ ห, ไ, ไห้ด ฉก็ต้องยป่อไปถ้าจะ move on สักคนททอนใจเ็บกว่านั้นฉันดให้เธอดก็ไม่ากหน้าเฟินมันไฉันต้องยป่อไปถ้าจะ move on ต้องมี ถ้าไปถ้จะ move on สักคนถ้อทนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พให้เธอพก็ไม่กล้า ใบคลั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทางหยุดน้ำตาอยู่เกับกา o m e s a I'm n e c one. เข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จก า, ากเธอมาคนนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเร 天。 จริงในโลกที่หหดรายได้ทำลายชีวิตคนคนหนึ่งเธอทำลายจิตใจคนที่รักเธอได้ไม่เข้าใจที่เธอทำลงไป บากมอกว่ารักแต่การกระทําไม่ตรงกับใจอยู่ๆจะทิ้งกันไปอย่างนั้นใี่เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรในสายตาโออยากรู้ที่เธอไม่รักเป็นเพราะฉันหรือเป็นเพราะใคร ใครทำเธอวันไวเธอถึงได้ไปจากฉันคำตอบที่ได้รับคือเธอหมดใจได้ฉันแล้วไปมีใหมแล้วมาทิ้งเราไปทำไมโปรดอย่าเห็นฉันเป็นแค่ลมที่พาดมา จำไว้ว่ารักเธอแค่ไหนก็อยู่วังว่าเธอจะรักเราเป็นบทเรียนให้ฉันจำไว้จนขึ้นใจว่าต่อไปอย่ารักใครง่ายใจ บ, บอกว่ารักแต่การกระทาไม่ตรงกับใจอยู่ๆจะทิ้งกันไปอย่างนั้นนี่เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรในสายตา ที่เขาบอกว่าพีเป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าถูกใจน้องจริงอันนี้นื้อเลี้ยงทุกตาเ ม, มาตุยอมรับก็ได้แต่ก่อนจะชุบเขาได้จะนเ่มแต่การแค่อยู่จะรักมีรักช่วยบอกให้รู้ยงไอทีซีโนเธอมีใจให้กันจะเกิดวันน้องนั้นมีใจก็ยกเธอสายหนึ่งที อยากจะได้ความรักดีๆอยู่คู่อีกทีเลิกกันอยู่ Dancing on the o o r เห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่กันและยายอย่าสารสัมพันธ์ดูมารักกันดีหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพีเป็นเสือทําไมต้องเชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าทุกใจนองจริงอันนี้เนือ้วตาเมตุยอมรับกดได้แต่ก่อนจะชุบเได้จะนงเหมือนกันเคอยู่จะรักมีรักช่บอกพรู้ยที่ซนโนถมีใจให้กันก็ไม่ได้หล่อไม่ได้รวยไม่ได้เมื่ออยเธอสนใจกแค่ผู้ชายธรรมดาไม่มีบรรท ก็มากมายช่วยบอกดีไหมต้องทำยังไงถึงจะดีใจน้่งหนามือของโอแกลยามใเนื้อทองเธอช่าง น, น่ามองมเวลาสต า, าเวลาเธอยิ้มมันช่างสะ ก, กดใจขอเป็นลายดีไหม จะ่พูดจามาชนแกวกับพีสัทีแม่กันเลยย่เห็นเธอโยกย้ายเล่นหูเล่นตาพิแทบจะเป็นบ้าตายจะเกิดว่าน้องนั้นมีใจเกีย่ยวถึงสายหนึ่งที่ที่อยากจะได้ดดความรักดีๆเอาควายอีทีเละกันอยู่ดันซิงออนดึกดื่อเห็นแล้มันขึ้นสวรรค์แม่กันเลยย่าอย่าสารสัมพันธ์ดูมารักกันดีหรือเปลา่าที่เขาบอกว่าพีเป็นเสื้อเธอไม่ตูองชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าถูกใจน้องจริง นี่เน้นแล้วทุ่ยตามมืตียอมรับก็ได้แต่ก่อนจะชุบเขอได้จะหนุ่มแต่การแค่อยู่จะรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกไอที่สีโนู้ดถ้ามีใจให้กันจะเกิดว่นน้องนั้นมีใจก็ออยกถึงสายหนึ่ง I just want to be with you, dancing on the floor. When love comes, it's a miracle. Can we just have a chance to be together? He said it's okay, but I don't trust him. I hope y o ที่ o ิ a โ I ที่มี o จใ e ้กัน ไม่จำาไม่ต้องบอกรู้ไหมว่าพี่โค้ทุกใจไม่ได้หลอกชอบเธอมากมายไม่สนใจยิ่งที่บอกพี่นี่คงชอบแทนน้องบอ ม, มิส่วนกันก็เวลาเธออ่อนเดือดร้อนมันฉันเฉยใจอาราเธอเปล่งไปไกยหัวใจจธอไวแล้วพี่คนนี้เขาอาจจะมีเงินทองแล้วเอามือก้องให้น้องตรงนี้ตัวพี่ไม่แค่รักดีๆที่พร้อมจะมีกันและกัน จะเกิดวันน้องและมีใจก็ยังถึงสายหนึ่งทีที่อยากจะได้กวามรักดีๆเอาควายอีกทีเลิกกันอยู่ดันซิงออนดูฟรอ o ์เห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แมกันและยายย่าสารสัมพันธ์ดูมารักกันดีหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพีเป็นเสือทธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวเือแต่ว่าถูกใจน้องจริง นนแล้วทุกทตา ม, มาตันตยยอมรับเกิดได้แต่ก่อนจะชูคนได้จะนุ่มมันการแค่อยู่จะรักไม่รักช่วบอกให้รู้ยงไทีสินุนมถ้ามีใจให้กันจะเกิดวันน้องนั้นมีใจเกียวถึงสายหนึ่งที่ที่อยากจะได้ความรักดีๆยงคว้าอทีแล้วกันอยู่แดนซ์อ่อนเดือดร้อนเห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่กันลยาอย่าสารสัมพันธ์โดยมารักกันดีหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพีเป็นเสือเธอไม่ต้องเชือ่อแค่ข่าวลือแต่ว่าทุกใจน้องจริง นเนีเหนะลียวทุยตามเมาตเตยอมรับก็ได้แต่ก่อนจะชุบเขาได้จะน้มมาตัดการแค่ยูจะรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกไอที่สินนถึงในใจให้กัน